วันนี้เราก็มารวมตัวกันทำวัดเย็นก็นั่งกันเต็มศาลาก็ได้ประโยชน์ทีเดียวมีกลุ่มหมอเธอเป็นการละกันใหม่ของจวัดกวลาลัตันตแพทย์เภสัชและก็เจ้าพนัก ง, งานที่มารวมตัวกัน ร้อยวาชีวิตแล้วก็กลุ่มของจังหวัดชายภูมิก็มีแพทย์ธันนแพทย์เภสัชเจวนักงานก็เหมือนกันล่ะรวมทั้งกรูบาอาจารย์อาจารย์หมอเราก็มารวมตัวกันทมวันเย็ยนก็ยินดีต้อนรับที่กรอลาดมาถึงก่อน มาใจปูมบางตามมาถึงมาสักครู่ <c oughs> ก็ที่นี่ก็วัดป่าสุกโตเราผ่านมาก็บอกว่าเป็นสถาบันสติปัฏฐานตั้งแต่นาวัดเลยสถาบันสติปัฏฐานแล้วพอเข้ามาข้างในนี่ก็จะมีการเตือนไว้อีกป้ายนึ่งตรงนี้แหละว่าสถาบันสติปัฏฐานอันนี้ไม่ใช่ป้ายโฆษณาแต่เป็นป้ายบอกวา เราที่มาอยู่ภายในรั้วของชุมชนวัดป่าสุโกโตนะมีความปลอดภยัยมีความปลอดภยัยเพราคนจะมีอยู่ในวัดส่วนใหญ่แล้วก็ฝึกหรือว่าหัดกายใจของเรากันฝึกหัดกายแล้วก็ใจของเรากั น, กกก เ, กนเพราะว่ากายของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกอนทุกข์ไม่มีใครไม่ทุกข์นะ นั่งเดินยืนนอนนะคือมันแก้ทุกข์ของมันทั้งวันเลยหันซ้ายหันขวาหายใจลู้กับพิพตานะมันแก้ทุกข์ของมันตลอดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันสระผมก็ลองดูก็แล้วกันเสื้อผ้าระเบาะสะอาดใส่ไปมันก็สกรปรกแสดงว่าร่างกายเราก่อนทุกข์แ ล, เล้เป็นรังของโรคด้วยเป็นรังของโรคโลคาพยาธิใครอยู่กับกายอ่ะ มีร่างกายทุกๆคนไม่เกี่ยวกับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายแล้วว่าจะฐานหน้าแบบไหนวุฒิภาวะยังไงคุณวุฒิยังไงก็ตามสกุลลชนชาติยังไงก็ตามนั่งเดินยืนนอนทุกตลอดนั่งก็เมื่อยเดินก็เมื่อยกับพิษตาหายใจนี่เหมือนกันก็ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไหนทั้งหากเกี่ยวกับเราเป็นมนุษย์น่ย<ม>เป็นคน เมฆายกฟางศอกยาวานาคือก็เหมือนกันทุกคนต้องกินต้องขับถ่ายนะ น, นี่นะเพราะฉนั้นเรามาเรียนรู้กันมารู้จักตัวเรากันน่ามนคืออะไรกันแน่เที่ยกันก็คือจิตเป็นนามธรรมจิตมันก็มีโรคของมันเหมือนกันแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้บัญญตัติมันเป็นโรคบางทีอาจจะบัญญัติก็ได้ว่าเป็นโรคเกิดความโกดขึ้นมาม า, มากๆในจิตใ น, ในใจนะพอใจไม่พอใจ หรือว่ามันเครียดหรือว่าวิตกกังวลเศร้าหมองวนนะี้จริงๆคืออาการโรคของจิตจิตมันเป็นโรคแต่ว่าทางประเทศไทยเรานะมันนับถือศาสนาพุทธกันส่วนใหญ่เพราะว่าพระมหากรุย์ทุกพระองค์เป็นพุทธมามะกะก็จึงบัญญัติไว้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ มาปีนะที่ผ่านมาน่ระบุไว้อีก5าศาสนาให้เป็นาศาสนาประจำชาติด้วยคริสต์ก็ตามหรือว่าอิสลามซิกฮินดูเนี่ยมันมีอยู่ครนี้เราเองมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเรากายของเราคือตัวาศาสน า, สาศาสนาคือตัวกายของเราเนี่ยแต่ว่าพุทธาศาสนาคือเราสอน ให้จิตมันอยู่กับกายแบบรู้จักกันเดืว่ารู้ตื่นเบิกบานนะ่ะมีกายก็แม้ามาเป็นความทุกข์มีจิตมีใจก็แม้ามาเป็นความทุกข์บางคนทุบพัะจิตใจอย่างทางจิตตวิยาก็ได้บอกไว้ชัดว่ากลุ่มของคนเป็นโรคจิตมมีอะไรบ้างเช่นไบโบล่าไบโบล่าหรือว่าออซิตติกทิงกิ้งอย่างเงี้ยนะประเภทคิดสั้นๆคิดสั้นๆทำอะไรก็ไม่เป็นชินเป็นอันอย่างเงี้ย หรือว่าการดิออสอย่างเงี้ยหรือว่าโบยอริซึมหรือว่าบูลิเมียมันเป็นโรคหมดเลยอะโรคทางจิตใจของเราแต่ครั้นี้ว่าเขาแก้โดยการใช้ยาจิตตวิยากินยากดประสาทกับกดความคิดเข้าไปกินแล้วมันนอนหลับครเครียดบ้างอะไรบ้างของเรามาที่นี่ใช้ล้วหณะของจิตตะภาวนาจิตตะภาวนาโดยว่าที่นี่เราสอนกันเป็นวิทยาศาสตร์พุทธวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่พุทธศัยศาสตร์หมาดีนะไม่ใช่เป็นเรื่องโง่งมหลงงม ง, งายหรือว่าบนบานสารเก่าฤทธิปฏิหารหรือวบวงสรวงทำบุญห้าบาทจะได้ร้อยบาทล้านบาทอะไรพวกนี้เราไม่ได้พูดถึงแบบนั้นแต่เราพูดถึงพุทธวิทยาศาสตร์ว่าคุณทุกข์เพราะความคิดถ้าใช้ความคิดไม่เป็นเนี่ยมันทุกข์แน่นอน ร่วมไม่รู้ทันความคิดเนี่ยทุกแน่นอนร่วมไม่เห็นความคิดเนี่ยทุกแน่นอนอย่าง น, นี้นะความคิดนี่ถ้าถูกรู้เท่ารู้ทันหยิบ ม, มาใช้เนะี่ยเกิดประโยชน์ทีเดียวมีประโยชน์อย่างมหาศาลมากคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำเกนะิดประโยชน์แต่ทางไม่รู้จักมันนะมานั่งอยู่มันก็คิดมันเดินอยู่มันก็คิดมันนอนอยู่มันก็คิดไอ้ที่เจตนาคิดเน่ย น, น้อยมากเลยแต่ไม่ได้เจตนาคิดเน่ยเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเล่าหนะของทางตะวัน ออกเราเนะี่ยมีองค์สมเด็จสัมมาจ้าวนะหรือเจ้าชายเสด็จทหารสองพันปีนะมีหลักฐานอยู่มีหลักฐานประเทศอินเดียมีหลักฐานเคยไปดูล่องลอยมาเจ็ครั้งแล้วที่ประเทศอินเดียมีหลักฐานจริงๆคือตีแากล่วว่าเออเรามาศึกษาวิชาพุทธศาสนานะเขาเขาหลอกเราหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความโง่หลงอมไ ง, งของเรา <c oughs> ก็เลยไปดูมีจริงๆริงไหอย่างนี้นะ ทางประเทศอินเดียก็ก็ดูแลกันอย่างดีเลยทางทอท อ, อดอรหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศอินเดียก็จะมีเส้นทางการทัศนศึกษาเรียกว่าสังเวีนนีสี่ที่ประสูติตัตโตรุปรินิพานรงนูนที่สอนธรรมัมนมีอยู่กรนี้ที่ประเทศไทยวัดป่าสุกตัวเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน41วัด ที่สามารถเผยแผ่วิชาความรู้เนะีได้ทั่วโลกเลยแล้วก็การที่เรามาอยู่ที่นี่นนะมันเป็นวิธีหนึ่งใน5วิธีหนึ่งใน5วิธีที่เราจะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราแบบภาษาครูบาอาจารย์ทั้งเลยว่าสูตรสําเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้งเราจะได้รู้เรื่องกายมันเป็นยังไงแล้วโดวยเพราะรู้เรื่องของจิตใจเราเนะี่ยซึ่งเป็นนามธรรมด้วยนะวันหนึ่งนะ้ำมันคิดไม่น้อยกว่า6กหมื่นเรื่อง อันนี้เขจับด้วยเครื่องมือยศาสตร์แล้วความคิดของเรานะีวันละไม่น้อยกว่า6กหมืนเรื่องเราเคยไปนั่งรู้เท่ารู้ทันมันไหมนั่งนับมันไหมที่สำคัญที่สุดคือมันแวบบ่อยไหมเราสังเกตไหมเผลอไม่ได้มันแวบใช่ไหมมีไหมมีไหมใครมีร่างการแบบนี้นเผลอปับ๊แบแวบร่างกายของเรานั่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่หัวจอดเท้านะแต่ว่าจิตของเราไม่มีตัวตนแวบไปละออกนอกตัวไปมีไหมเวลาเรียนเนี่ยเคยสังเกตไหมว่า ทีเรานั่งเรียนอยู่ดียใจมันแบบ๊บออกนอกห้องเรียนเนี่ยเคยมีไหมมีไหมอย่างเช่นตอนนี้เราอาจจะกังบนก็ได้หมอถือว่าเป็นหมอป้าแดงหมอมือใหม่หมอที่กําลังจะเริ่มต้นทํางานกันเนี่ยตอนนี้เรากําลังย้ายที่อยู่จากหอพักหรือว่าที่บ้านของเรามาอยู่ที่ทํางานเราจะคิดแล้วว่าเดี๋ยวอีก2อสาวันข้างหน้าที่หน้าจะอยู่ยังไง จะซื้ออะไรเข้ามาดีไม้แกนผ้าที่ตากผ้าเงี้ยคิดไหมคิดไหมตู้เสื้อผ้าเงี้ยคิดไหมซื้อเตียงซื้อที่นอนเงนี้ยคิดไหมมันนั่งอยู่ที่นี่นะแต่มันคิดไปแล้วนะล่วงหน้าแล้วมีไหมเงี้ยงานการจะเป็นยังไงไม่แน่ใจเลยมันจะเกิดการเก๊กเก่ง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเรียกว่าคิดไปในอนาคตเมื่อกี้เราก็สวดนะนะบางทีเราก็คิดไปในอดีตบางทีเราก็คิดไปนอนาคตเงี้ยเราไม่ค่อยอยู่ ในโลกงความเป็นจริงที่อยู่เฉพาะหน้าเมื่อทีดื่มน้ําสักแก้วหนึ่งความคิดก็หล่นลงไปในแก้วน้ําเคยไหมเคยไหมเมื่อที่ทานข้าวสักจานหนึ่งความคิดก็หล่นลงไปแหมเมื่อกี้เราทํางานตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นหรือว่าปเดี๋ยวเราจะต้องไปทํางานต่ออีกแล้วเงี้ยมันกระโดดข้ามช็อตไปแทนที่จิตจะอยู่กับเป็นปัจจุบันอยู่กับความเป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามันคิดไปละ ม, มันไหลไปอดีตบั่งไหลไปอนาคตบ้างตรงนี้แหละเราลองดูดีๆนะ มันเป็นสาเหตุเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดอาการเครียดขึ้นมาเมื่อที่เกิดความวิตกกังวลเศร้าหมองขึ้นมาคิดแล้วก็กลุ่มคิดแล้วก็กังวลคิดแล้วก็วิตกคิดแล้วก็น้อยใจคิดแล้วก็เหงาคิดแล้วก็ว้าเหว่งเกิดจากเราหลงไปในความคิดเพราะนั้นการฝึกจิตของเราให้มาอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้สามมันเนี่ยเต็มเ็ม มันจะเป็นวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานลองพูดพร้อมๆกันนะวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานอืมวิชาเนี่ยมันไม่ใช่วิชาแพทยกรรมทันตกรรมเพศักยกรรมนวัตกรรมอุตสากรรมอะไรก็ตามมันไม่ใช่อันนั้นมันคือหาสตางค์แต่วิชากรรมฐานนมันคือการฝึกสติคนจนใจก็ฆ่าตัวตาย จนเงินแน่แ น, นอนอนะเราก็ไม่มีวัตถุหนึ่งสสี่หปัจจัย4ี่ห้าหกเจดปดจนเงินอะนะแต่เรามีวิชาความรู้ละเนี่ยเริ่มตน้นจะรับรายการแล้วเราจะได้เงินเดือนกันละแต่ที่สำคัญก็คือทํางานหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือว่าจนกระทั่งชีวิตของเราใกล้เกษียณก็ตามถ้าไม่ได้รู้จักวิชากรรมฐ า, านน่าทำและเครียดนะเราลองดูนําหมอรุ่นพี่ของเราแล้วคนทำงานเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของเราก็ตามผมจะล่วงบาง แล้วก็หน้าตาไม่ค่อยมีความสุขเนื่องจากไม่ค่อยได้รู้จักวิชากรรมาฐานกันไม่เหมือนกับพวกเราที่เริ่ ม, มต้นฝึกหัดนได้ยินได้ฟังแล้วน้อมเข้ามาฝึกหัดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามวันเนี่ยมันจะติดจนกระทั่งเหมือนกับว่าเมื่อเรากลับไปแล้วจากวัดป่าสุกโตนะบางคนบางท่านนะได้ไปใช้ทั้งชีวิตเลยมันจะเกิดวิชาภาวนาขึ้นมาจิตใจของเราจะดีวันดีคืนขึ้ น, นมา เป็นคนที่ทุกยากแล้วก็สุกง่ายผลของมันไนงะทุกยากทํางานทั้งวันเหมือนไม่ได้ทําอะไรแต่คนไม่มีวิชากรรมฐานนะบางทีไม่ได้ทํางานนั่นเอ้ยเหนื่อยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะไม่ได้ลงมือทําอะมันทําไม่ได้เลยมันเหนื่อยมันเพลียมันเปี้ยไปหมดนะหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนกเด็กคนหนึ่งแล้วเร็วนี้มีเด็กคนหนึ่งไป ปฏิบัติธรธรมสอนที่โรงพยาบาลกรราลยาราชนคกลินที่นั่นเราก็รู้ว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นโรคจิตแล้วก็อยู่ในข่ายของคดีต้องคดีคารนี้ก็จะมีพวกหมอแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่รพาามาฝึกมหาหัดกันก็มีเด็กคนหนึ่งมีหมอทางโรคจิตเด็กก็ส่งไปจิตแพทย์ส่งไป ปรากฏว่าเป็นหมอที่เรียนเก่งที่สุดในประเทศไทยเรียนเก่งที่สุดแล้วก็เรียนเปียโมโดมะนะแล้วคะแนนที่สอบไว้นะ่ะสามารถยื่นกี่ปีกี่ปีกี่ปีก็ได้ได้ทุกวิชาแล้วเข้าได้ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอะตอนที่จบใหม่ๆนี่ไม่สามารถที่จะเรียนในประเทศไทยได้เพราะเก่งมากถูกส่งไปเป็นเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะไปเรียนแล้วนะ่ะปรับตัวไม่มีสติ สัมรชัญญาลวงเอาวิชาความรู้มาใช้สอบได้เพราะนั้นการเรียนจึงไม่สำเร็จขาดสติขาดสมพชัญญานะพอกลับมาเรียนที่ประเทศไทยก็ยื่นเสตตรจ า, าจุลาก็ไม่สามารถเรียนได้อีกือสมองนี่จำเก่งมากแต่ไม่มีสมติเลิกเอาปัญญามาใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือว่าการใช้ชีวิต ก็เลยเป็นโรคไบโพล่าร์พฤติกรรมสุดต่งเวลาอารมณ์ดีขึ้นมาเนี่ยโอ้พูดอะไรก็ฟังแล้วก็เป็นคนที่รื่นเริงล่าเริงสดชื่นมากแต่วัดไหนที่มันอารมณ์มันเศร้าเข้ามานีมันหมดกําลังใจหมดแรงใจไปไหนไม่ได้เลยต้องนอนคุณพ่อก็เป็นหมอได้นะแม่ก็เป็นพยาบาลรักษาทางจิตแพทย์รักษาไม่ไหวแล้วก็ถูกส่งมาใช้หน้าของจิตตาภาวนาตอนนี้กําลัง โทรศัพท์แก้ให้เขาให้เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวให้เขาใจมีสติอยู่กับกายฝึกกรรมฐานเขาก็าไม่เคยไปฝึกที่ไหนเลยแต่พอมาที่วัดป่าสุตโตนะี่เขาก็คล้ายๆกับให้เวลากับตัวเองได้มากพยายามนั่งสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมพอเดินเมื่อยก็นั่งสร้างจังหวะที่นี้จะฝึกวิธีการเคลื่อนไหวสิจังหวะ นีบางทีเราก็เห็นแผลบางท่านบางรูปท่านก็ยกอยู่ก็คือยกให้ดูว่าเออที่เนี่ยก็ยกแบบสิบสี่ใช่ไหมเป็นหนึ่งใน5วิธีที่สามารถเผยแผ่โดยทั่วโลกนี่แหละเราได้ฝึกขัดกันเพื่อให้จิตเนี่ยออกมาจากความคิดก่อนออกมาจากความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดตัวนี้บางทีเรานั่งอยู่ดีๆเอาเผลอแวบไปแล้ว เรื่องที่ไม่อยากคิดไม่เคยคิดอยากจํากับลืมอยากลืมกับจําำมันผุดเกิดขึ้นมาบางทีก็ไปอดีตบางทีก็โดดไปอนาคตมั่งบางทีก็ทําไมก็ทํากับเราทําไมทําไมทําไมเขาไม่กระใจเราทําไมทําไมอย่างเงี้ยทำไมเป็นอย่างนั้นดาไปเป็นอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาให้กลับมาที่ความรู้สึกตัวนะพิชากรรมัฐานคือให้มีความรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวใจก็รู้ด้วยกายทําอะไรใจก็ทําด้วย องสมเดจสามมามเจ้านะหรือว่าเจ้าชายเสด็จทหาคนพบวิชากรรมฐานนะเมื่อวันเพ็ญเดือนหบันเพ็ญก็คือพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมสิบห้าคำเดือนหกก็นับไปเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามสเดือนห้าเดือนหเดือนหกนะเป็นยามสามยามสามคือตีสามถึงหกโมงเช้าเป็นยามสามเป็นปีละกาแล้วก็เป็นวันพุธนะวันนั้นนะท่านน่ะมานั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกชอบทํำไหม ปฏิบัติทลมหายใจเข้ารู้สึกตัวลมหายใจออกรู้สึกตัวนะี่เกิดการเข้าใจธรรมะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแล้วเห็นด้วยความทุกข์เกิดที่ไหนสมมติฐานความทุกข์เกิดที่ความคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าตัวสังขารตัวสังขารคือการปรุงการแต่งในจิตในใจของเราเนะ่มันปรุงแต่งิมะเก่งมากเลยบางทีคิดขึ้นมาแต่เรื่องเราคิดแล้วก็กล่าวโทษคนนั้นคนนี้คนน้นเคยไหมบางทีคิดขึ้นมาแล้วก็อืม ดีความเลยมันน่าจะเป็นอย่างงั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้นมันน่าจะเป็นอย่างง้ น, น, น, ง น, นมันคิดได้ไหลายมุมหลายแง่ามากก็เลียโยนให้ส ม, มาจจิการแยกแยกคุณค่าแท้คุณค่าเทียมต่างๆมันที่จะคิดแบบเรื่องราวมันที่จสร้างเรื่องดูไปดูมาน่าตายแง่ปูงแต่งจนมีพี่รุดเลยกลายเป็นคนที่เราไม่อยากคบคนชั่วกลายเป็นคนดีเราชอบปูงแต่งถูกฉลอไม่ถูกฉลอถูกชะตาไม่ถูกชะตา อย่างเช่นคืนนี้บางคู่ต้องนอนด้วยกันแล้วในเต็ น, นอันนี้ไม่เกี่ยวกับถูกชะตาไม่ถูกชะตาแล้วนะเกี่ยวว่าอาจจําเป็นจะต้องนอนด้วยกันบางคนก็ต้องนอนกุดเดียวกันต่างคนต่างมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เวลาได้ที่นอนแล้วเนี่ยนะก็ให้พอใจในสิ่งที่เราได้ยอมรับสภาพเป็นการฝึกตนทําใจวิชาทําใจไม่ต้องย้ายไปนะเพื่อนนอนที่ไหนสอบถามกันโอ้โหยังว่างอยู่นอนได้อีกคนแล้วก็ย้ายไปนอนด้วยกันนะ แสดงว่าสามวันนี้จะสอบตอกซะล้ะให้เราเหมือนกับว่ายอมรับจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจ ะ, นนจะรับประทานอาหารจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้อยู่ไปวันวันหนึ่งอยู่ที่นี่สมวันฝึกกายฝึกใจของเรากันไม่ได้อย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยน ะ, ะดังนั้นจิตใจของเรามันสร้างเรื่องราวอะไรขึ้นมาเราให้กลับมารู้สึกตัวฝึกวิชากรรมฐานให้กลับมาที่ความรู้สึกตัวอทุกคนลองพูดรพร้อมๆกันนะลองพูดพร้อมๆกันตอนนี้เลย พรเวลามีน้อยมากนะจะให้วิชากรรมฐานไปเลยใจมีสติอยู่กับกายพูดพร้อมๆกันกกคนประมาณร้อยหกสิบคนตอนนี้นะลองพูดพร้อมๆกันใหม่ใจมีสติอยู่กับกา ย, ย, กกายผลลัพธ์กับปกติวงเล็บศีล อันนี้มันเป็นสูตรนะเขาเรียกว่าสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรที่ย่อแล้วก็เพื่อให้เกิดการกระทําที่ง่ายแล้วก็รัดสั้นก็คือฝึกเราให้กายนะกายเรานั่งอยู่เนี่ยนะนะมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่ด้วยตอนนี้ทุกคนทุกท่านลองเอามือไปไว้ด้านหลังเราจะฝึกให้ใจเขามันมีสติอยู่กับกายใจทิมเคยเร่ยล่อนนะ คิดนั่นคิดนี่คิดโน้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะตอนนี้มาฝึกให้มันรู้เนะรู้ตัวอยู่อยู่กับกายด้วยนะโดยาอวัยวะที่เรียกว่ามอือกรรมให้รู้สึกตัวกรรมข้างเดียวนะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แบรกรมบ ร, กรมแบรกรมบ ร, กรมแบกรแบกรรมแบหยดุด เอาไว้ข้างหน้าเอาหัวแม่มือกับ น, นิ้วชี้มากระทบกันรู้สึกไหมรู้สึกไหมกระทบแล้วรู้สึกไหมทุกครั้งที่รู้สึกนะอันนี้มันเป็นตัวสติปัฏฐานเบื้องต้นเลยสติคือการรักรู้ส่วนใหญ่มักจะรู้ออกไปนอกตัวภาาสาษุศาสนาเรียกว่าวัตถุกามคุณตาก็จะดูรูป หูก็จะฟังเสียงจมูกก็จะดมกลิ่นลิ้นก็นจะลิ้มรสกายก็จะสัมผัสของอ่อนนุ่มเย็นพอใจอพวกนี้มันชอบจิตก็จะคิดนึกปรุงแต่งคราวนี้เราฝึกออกมาก่อนจากความคิดทุกชนิดเลยมารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทําอะไรใจทําด้วยฝึกตัวนี้มันก็จะค่อยๆออกมาจากความคิด ความคิดที่กล่าวโทษความคิดที่ตีความความคิดที่เป็นเรื่องราวต่างๆความคิดที่พั่มบนมันจะถูกตัดทันทีและพราะความคิดเนี่ยที่มันเป็นความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาทั้งชีวิตของเราบางทีเราก็เคยถูกกระทำมาจนเกิดความพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นประสบการณ์ชีวิตมีความภาคภูมิใจไม่ภูมิใจอนะเนี่มันเกิดขึ้นหรือบางทีเราก็วาดฝันเอาไว้ในอนาคต เราต้องการชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นโน้นวาดฝันเอาไว้อย่างนั้นนั น, น, น, น เ, เป็นอนาคตมันก็ทําให้เราสุขเราทุกข์บางทีมันยังไม่เกิดมันก็ทุกข์ก่อนแล้วองี้เคยไหมมันก็คนไข้บางทียังไม่ได้ฉีดยาเลยเด็กอะร้องไห้ก่อนแล้วเจ็บก่อนแล้วนีอันนี้เป็นลักษณะของอาการที่เจ็บไปก่อนล่วงหน้าแล้วทุกข์ไปก่อนล่วงหน้าแล้วล้ว บ, บางทีพ่อเรายังอยู่แม่เราก็ยังอยู่นะตอนนี้ก็ยังอยู่แบบมีความสุข หรือว่าแฟนเราก็ยังอยู่ยังมีความสุขอยู่แต่พอเกิดความคิดขึ้นมาว่าจะต้องพัดผ้าจากของรักของชอบใจเนี่ยมันก็เสียใจทันทีเลยนะมันก็ทําให้เราเป็นโรควิตกกังวลแล้วเกิดอาการเจ้าหมองนะเครียดจนทั้งเป็นโรคเศร้าซึมเบื่อเสงได้เยอะแยะไปหมดเลยอย่างโรงพยาบาลชัยภูมิเนี่ยเคยมีหมออยู่คนนึงอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะตัวอย่างที่ดีกับพวกเราในวันนี้ด้วย หมอคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคือเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตแล้วพอไปทํางานปั๊บเนี่ยเครียดขึ้นไปแล้วก็ท้ายสุดก็คือชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่พยายามปรึกษาหรือว่ามาวัดมาวาปฏิบัติธรรมไม่สนใจกิริยามิตรหรือว่าผู้รู้ครูบาอาจารย์ต่างๆพยายามเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วท้ายสุดก็คือทํางานไม่ได้เที่ยวกินเหล้าแล้วก็ท้ายสุดก็ไปอยู่สวน ไม่ไปทํางานแล้วก็ไปขุดสระเลี้ยงปลายอยู่แล้วก็มียายกอยายนะ่ยมาเลี้ยงดูแลอยู่เสร็จแล้วอยู่มาวันนึงหลังจากที่ใช้ชีวิตเนะีเล่นกีตาร์ให้ตัวเองฟังเล่นกีตาร์ฟกซองนะไม่ไปทํางานเลยข้าตามไปทํางานก็ไม่ไปแล้วท้ายสุดก็คือเอาผ้าหม่มมาล้อมรอบตัวเองไว้ สงสัยหมเอาผ้าห่มมาล้อมรอบตัวเองไว้ทําไมเอาปืนมายิงหัวตัวเองแล้วกลัวเลือดนจะไหลแล้วก็เลอะเทอะบ้านฆ่าตัวเองแล้วก็ตายเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลายคนนั่หมอที่โรงพบาลบ้านเก่าตัวนะี้ปรากฏว่าสามีเป็นผู้โดยการพวกนี้คือพวกที่ไม่รู้จักกรรมาฐานนั่นกันเลยผู้โดยการก็ทํางานหนักนะัดที่โรงพยาบาลบ้านเก่า ชายภูมิปรากฏว่าบรรสุกทำงานหนักไม่ได้กลับบ้านภรรยาก็น้อยใจแล้วทำงานหนักๆ ก, ก็เครียดเป็นโรคประสาทไปเลยฮะแล้ววันที่น้อยใจสามีดันได้กินยารู้สึกยากำมกซนอนแล้อยาประเภทยาฆ่ า, า, มาแมลงประเภท น, นี้นะจำชื่อไม่ได้แล้วก็มาล้างท้องที่โรงพยาบาลชายภูมิ เวลาพอใกล้ตายแล้วนะตัวเองกินประเดนใกล้ตายสามีก็มาเยี่ยมลูกก็มาล้อมหน้าล้อมหลังปรากะโกาไม่อยากตายขึ้นมากรวเนี้ยแต่ประโกดเอาไส้มันพังหมดแล้วอะเอาวิญญาภายในะพวกนี้ก็คือไม่มีกรรมฐานให้รู้เลยหลงตกเป็นท่าของความคิดตัวเองนะนะเพราะฉะนั้นวันที่สิบสามกันยายนนะเป็นวันการรณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตายโลกที่องค์การ อ, าอนามัยโลกนะ หรือว่าองค์การสหประชาชาตินะประกาศไวช้ชัดเลวันเนี้เป็นวันที่ต้องช่วยกันรณรงค์เพราะคนฆ่าตัวตายเยอะเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมกันไว้เพราะว่าเราจะปเผชิญโลกความเป็นจริงวะงานบางทีเจอผู้ร่วมงานที่ไม่ถูกใจเลยบางทีไปเจอผู้บงังคับบัญชาที่ไม่ถูกใจเลยบางทีไปเจอคนไข้ที่เราโหไม่ถูกใจเลยอ่ะ ญาติคนไข่กัเหมือนกันแล้วก็ระบบซูทุกวันเนี่ยผมเป็นระบบที่มันฟ้องร้องเอาถูกเอาผิดมากเลยก็เลยต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแรงก่อนเดินทางเรามีละวิชาความรู้ระดับหนึ่งแล้วตอนนี้มาฝึกให้มีแรงใจทําอะไรก็สามารถที่จะกลับมาหริ่ ร, รู้ความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเนะี่ย ก็คือมีสติกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทำอะไรใจทำด้วยมาฝึกมาหัดกันจนมันเหมือนว่าสามวันนี่มันคุ้นปกติมันคุ้นนมันไหลไปสู่ความเสื่อมคิดอดีตคิดอนาคตคิดแล้วก็ทุกใจะและที่สำคันที่สุดก็คือทุกคนมันมีปมด้อยอยู่ในตัวปมด้อยถ้าเราทำงานไปมีปมด้อยไปบังทีเป็นหมอเพิ่งจบใหม่ๆประมาณ ไปทาออํางานมันก็จะวางหน้าวางตาไงทีลาท่าทางเนี่ยเราเราไม่เข้าใจเลยแต่พอเรามาฝึกเจริญสติปั๊บพอใจมันมีสติอยู่กับกายมันจะเกิดความเป็นปกติขึ้นมาเมื่อจิตเราปกติปั๊บกายเราปกติเราก็ใช้วาจาได้อย่างเป็นปกติตบางทีเราไปเจอโลกธรรมแปดไงนะจะทําไงก็นินทาเราเนี่ยเราก็งดเงียบแล้วเราก็ไม่พอใจแล้วหรือว่าสารเสริญแล้วก็ฟูนะ เก่งโอ้คนหมอเก่งโอ้เก่งมากเลยนะ่ะน้องเก่งมากเลยเนงะี้ยเราก็จะฟูบางทีไปเจอคนเท้าเหมือนก็ว่าปากอย่างใจอย่างปากนะพูดหวานเจ็บเลยแต่ใจโอ้เชือดคอเลยเป็นคนไร้ลึกเลยนะมันจะไปเจอเขาว่ า, ว า, วาจะทํำยังไงนะพอตอนหลังมารู้โอ้ไม่ใช่คนดีเลยคนแพทย์นะเราจะทํางไงเราก็ต้องรักษาจิตของเราให้ปกติไว้ก่อน เขานินทาเราก็รู้แล้วเขาสรรเสริญเราก็รู้แล้วไม่ใช่นินทาแล้วเราก็เกลียดเขาสรรเสริญแล้วเราก็รักไม่ใช่นินทาเราก็รู้แล้วเฉยเฉยแล้วเป็นคนอย่างนี้เขาสรรเสริญแล้วรก็รู้แล้วขาเป็นคนอย่างนี้ถ้าเคนดีเราก็รู้แล้วเป็นคนอย่างนี้ถ้าเป็นคนไม่ดีเราก็รู้แล้วเขาเป็นคนอย่างนี้รู้ชัดเลยคนคนนี้เป็นคนอย่างนี้อย่างนี้แต่เราเฉยตัวนี้สําคัญดีไหมดีไหมใจเราเฉยเป็นปกติอยู่พร้อมช่วย ถ้าเข้าไม่ดีเราก็ปิดทองหลังพระพร้อมช่วยเข้าววันหลังต่อไปถ้าขาด้ดีเราก็รู้ว่าพึ่งได้แล้วก็ไม่แสดงตัวบาง่กีเราชมาเขาก็เหลิงทันทีบางทีคนน่ยชมชมไม่ได้ชมแล้วเหลิศพอวันหลังเข้าไม่ดีเราก็เสียใจในอย่างนี้นนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันวิชากรรมาฐานผลทําให้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมามันเป็นปัญญาชนิดหนึ่งเราเรียนรู้มาวิชาการทางโลกนั้นมันจําได้หมายรู้ด้วยสมองเป็นสัญญาความทรงจำํำรู้ทิฐิ เป็นความเห็นเฉพาะคนหมอก็รู้แบบหมอฉลาดแบบหมอพยาบาลก็ฉลาดแบบแบบพยาบาลนะพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ฉลาดตามวิช า, าเราได้รู้มานะได้เรียนมาทำงานตามกรอบตามกฎระเบียบข้อบังคับของราชการแล้วก็ผ่านนะทาชั่วบ้างทาดีบ้างมันก็เดินทางก็มันระบบราชการเนะช้าชามเย็นชา ม, มก็เดินทางก็มันเงินเดือนมก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่า ถ้าเราลักษณะว่าทํางานแบบเช้าชามเย็นชามในระบบราชการมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกสติสติมทาให้เรารู้ว่าเออควรคิดควรพูดควรทําประมาณไหนขณะนี้ควรทําอะไรเรียกว่ารู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักคนที่เราร่วมงานรู้จักลักษนะของการคลองตนคลองคนครองงานทั้งหมด ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องรู้เหตุรู้ผลรู้กาลารู้เทสะผลอย่างเงี้ยมันเกิดจากเหตุอย่างเงี้ยเหตุอย่างเงี้ยมจะได้เกิดผลอย่เมันจะรู้ได้แล้วก็รู้ว่าเวลาเนี้ยควรทํำยังไงรู้ชุมชนเนี้ยควรจะอยู่ยังไงถ้าเป็นน้องใหม่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนควรนักวางตัววางกายวางใจยังไงมันจะรู้ชัดเลยจะรู้ว่าเออลักษณะของเราความรู้ความสามารถแค่ไหนแล้วก็จะต้องไปเรียนรู้เพิ่มอย่างไรหรือว่าไปเรียนรู้งานจาก ประสบการณ์ตรงอีกทีนะอย่างไรไม่จะเป็นคนที่อ่อนโยนนุ่มนวลจะเกิดจากลักษณะของเหตุที่เราฝึกความรู้สึกตัวดีๆมันจะทําให้เป็นเหตุเป็นภาวาปัจจัยเป็นนิสัยแล้วทําให้เราเรียนรู้รอบตัวเรียนรู้โลกกว้างต่อไปอย่างนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ตัวเราก่อนที่จะเรียนรู้จนกรัเกิดพนาการทางโลกทางหน้าที่การงานเกิดนะ มีลษณะของเกียรติยศนะเรียกว่าตำแหน่งเราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นวันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้วันหน้าเราอาจจะเป็นหัวหน้านแผนกหัวหน้าตึกหรือว่าเป็นผู้มุ่งในการต่อไปนะมันเป็นไปได้หรือว่าทํางานระดับชาติระดับโลกไปเลยงี้เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเกิดจากการฝึกขัดร่วมกันวันนี้นะแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติเรนะวันข้างหน้าเราก็ไปคนละทางนะเพราะว่ามันมีอบายนะเป็นที่ไปด้วย มันไม่ได้มีทางสวรรค์ทางสว่างอย่างเดียวมันมีความเสื่อมเช่นเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยร่างเป็นมนุษย์แตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานนะก็เรียกว่าทํางานอย่างไรคุณภาพมากถึงดีก็ไม่เอาถึงดีก็ขัดแยง้งนะมันเป็นอนะไรก็พูดซ้ายจะไปขวาพูดขวาเราก็จะไปซ้ายนะให้ทำเราก็จะไม่ทําพอไม่ให้ทำํำเราก็จะทำระนี้เรียกว่ามนุษย์เดรัจฉาโน เมื่อเราฝึกสติเราจะรู้จักอ๋อมันมีอาจารย์แบบนี้ด้วยเลยนะในล่างเป็นมนุษย์ใจเราเป็นสเดชาอย่างเงี้ยนะหรือว่าล่างเราเป็นมนุษย์นะแต่ใจเราเป็นเปลลดเมืนะ่อทีทํางานเราต้องการเหมือนกับว่าเงินเดือนอยากได้เงินมากอะไรว่าทํางา น, นน้อยๆอย่างเงีนะ้ยเรียกว่าทํางานนนิดเดียวแต่อยากได้เงินมากๆเมื่อทําให้เราเหมือนกับทำงานด้วยความทุกข์ทนะ้ายสุดก็คือต้องล้างออกไปอยู่โรงบาลเอกชนบ้างหรือว่าหาเรื่องเรียนต่อบ้าง อันนี้ก็หมายถึงว่าเราไม่มีความสุขกับการทํางานแต่พอเราฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวมันจะเกิดความสุขขณะทํางานนั่นแหละขณะนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเมื่อใจเรามีสติอยู่กับกายนะความเป็นปกติสุขจะเกิดขึ้นไปมันจะมีสุขที่ได้บัตทูนหนึ่งสองสาถ้าอยากได้มากๆทะเลยไม่พอนะก็เรียกว่าเปลดอยากไม่หยุดหยุดไม่ได้มนุษย์สเปโต หรือว่าเราให้เป็นคนที่ใจดีอยากจะให้ให้ให้ให้ให้มีต่การให้ให้ให้ให้ให้อย่างวันนี้เมื่อเช้ามีอยู่คนมามาถวายรถที่วัดตอนนี้ก็จอดอยู่เป็นรถดีแม็กสูดีแม็มาถวายรถก็เปิดไปก็มีประกันพรบมีทะเบียนรถมีใบโอนลอยอยู่แล้วก็มีใบหนึ่งก็อ่านอยู่มีวัดหนึ่ง ก็เป็นนี่คนคนนี้นะกำนันวรเดชเนี่ยขออนุญ er ated, นาตเอ่ยชื่อนิดนะ14ล้านเศษเศษเป็นนี้กํานันโดยการเอาเงินไปสร้างวัดสร้างว่ากํานันท่านกระใจบุญนะกระยมตกในะใจบุญไหมขอก็ให้ขอก็ให้ขอก็ให้ให14ล้านบาทดอกเบีย้ยเดือนก็ประมาณเก้าหเศษหรือว่าแสนนึ่งเดือนละหนึ0 0 0สบาทต้องเสียดอกเบีย้ยธนาคารอย่างงี้น ะ, น ะ, น ะ, นะอันเนี้ยก็คือเป็นหน้าของมนุษย์สเทโว ใจเป็นเทวดาก็มีการให้ให้ให้ให้ให้นีนะล่างเป็นมนุษย์ยิงย่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้มีความสุขแต่ท้ายสุดเนะกรณีนี้ก็คือวัดไม่ยอมหาเงินมาคืนโยมโยมจะทํำยังไงโยมก็ต้องมีกรรมฐานนะั่นแหละมีกรรมฐานพอหลังจากนั้นเดี๋ยวคนก็รู้ข่าวเข้านะหรือวัดนีนะ้เมื่อคนก็รู้มากๆเข้า ว, วัดนี้ก็ต้องผนขนไกว้ละ คนที่เป็นมัระทอยกวัดหรือว่าคนที่สมรู้ร่วมคิดกันแล้วมันก็ว่าร่วมกันเหมือนการมีพฤติกรรมแบบนีนะ้อาจจะเรียกว่าชอ่อกรงหรืออะไรก็ตามเถอนะแมว เ, เงินคืนให้ตรงเวลาของเขาเนะี่ยก็ต้องรับผิดชอบกันนะในวันข้างหน้าวันหนึ่งนะก็ก็ต้องเรียกว่าหามาใชใ้เราจนหมดนะั่นแหะหรือว่าถ้าเขาไม่ใช้เราเราก็ต้องทําทีนะ่หมุนเงินของเราเราใช้ระบบของราชการ ก็คือธนาคารพวกนี้ให้มันมันเหมือนกับว่าอยู่รอดปลอดภัยต่อไปมันก็ต้องใช้วิชาธรรมใจมเพราะเรื่องพวกนี้จะเกิดกับเราแน่นอนบางทีรักษาอยู่ดีเนีน่ยเราก็มีใจดีดีอย่างรุ่นที่เคยอบรมเรามีอยู่รุ่นหนึ่งคุณหมอท่านหนึ่งหลังจากที่อบรมไปแล้วเนี่ยเข้าไปเจอคนไข้และญาติคนไข้นี่เหมือนกับอารมณ์ร้อนมากเลย พยายามเห็นหมอเหมือนกับทาตมากแล้วก็บ่นแล้วก็ด่าด้วยนะใช้คําที่ไม่ค่อยสุภาพคําหยาบใส่แต่หมอหลังจากที่เขาพูดไปเนะี่ยเขาก็รู้แล้วใจมิสติอยู่กัายให้มารู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวรักษาจิตให้ปกติฟังรู้อยู่ว่าพูดอะไรบ้างแต่ว่าไม่มีตัวตนเขาไปรับใจเราไม่มีตัวตัวตัวตนของเราเขาไปรับประโยคที่เขาพูดเนะ่ยปรากฏวา่าก็เฉยเขาก็พูดจนกระทั่งขางขงหมดแรงนะ หมอก็พูดกับเขาอย่างเรียบร้อยสุภาพปรากฏเขายกมือไหว้เลยโอ้โหไม่เคยเจอหมอใหม่ปรากฏว่าบนเท่าไหร่นะนินทาเท่าไหร่ด่าเท่าไหร่ก็เฉยๆหมอคนนี้ปรากฏไม่ที่รักของคนในโรงพยาบาลมากเลยเราก็ได้เจอเรื่องหมอบางคนนะี่ยพอรักษาไปปรากฏว่าประเดี๋ยวมันมีคําฟ้องร้องมาแล้วหาว่ารักษาแล้วก็ไม่ถูกจรญญาบรนแพทย์ไม่ถูกตามหลักวิชาการแพทย์อะไรต่างๆ เราก็ต้องกลับมารู้สึกตัวก่อนเดี๋ยวท้ายสุดธรรมะก็คุมครองเองธรรมะคือความเป็นปกติของจิตจะถูกจะผิดก็อยู่ที่ธรรมะในจิตของเราเพราะเราทําได้มีเจตนาทําอะไรผิดเลยจเจตนาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาว่าผิดก็เป็นเรื่องของเขาต่าหากละ่ะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราเราทำเต็มความสามารถแล้วก็พูดตามสิ่งที่เราทําแล้วก็เป็นธรรมชาติที่มันบริสุทธิ์ตรงนี้แหละมันรอดพ้นทั้งหมดได้แหละ ใครทำอะไรเราไม่ได้เรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันจะเกิดเป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีสตินะมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวมันจะเห็นกายของเราตามความเป็นจริงเห็นจิตใจของเราตามความเป็นจริงจนทั้งเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องถูกต้องตัวนีน้มันเป็นผลของปัญญามันเป็นปัญญาที่มีอยู่ในศาสนาะพูดเรื่องปัญญาพุทธรนะเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งโลกนะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจของเรานะอันนี้นะเราจะได้ฝึกกัน อันนีตอนนี้ก็พูดมาเห็นว่าสมควรเก็เวลาครึ่งชั่วโมงนะก็เจต น, นาที่พูดก็คือให้ผู้ใหม่คุณหมอทั้งหมดหรือว่าเจ้าหน้าที่ทันแพทย์เภสัชคนนี้ได้ยินได้ฟังไว้แต่เบื้องต้นเลยถือว่าเป็นการปรถมนิเทศร่รวมกันเพ่ได้ทราบทิศทางของการที่เรามาอยู่ร่วมกันที่วัดป่าสุโตเราจะมาทําอะไรกันเราจะมาฝึกกรรมฐานกันวิชากรรมฐานเพื่อเกิดญาณของปัญญาหรือว่าการขนส่งปัญญา มาใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไปคิดพูดทำํำสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทําล้ ว, วขณะคิดขณะพูดขณะทำหลังคิดหลังพูดหลังทำํำให้มีสติกํากับไว้ตลอดเวลาแต่ว่าสติเรามีมากหรือน้อยเพียงใดเนะี่ยเราจะมาฝึกหัดกันต่อไปเนาะทยสุก ข, ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันทําบัดในวันนี้แล้วก็ฟังเทศฟังธรรม ก็ขอให้ความดีของเราทั้งหลายนั้นแล้วก็การที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายนั้นก็จงพาไปสู่ความเป็นปกติสุขในชีวิตของเราโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทั้นเธอกลับพระพร้อมกันเาราลางจะมาสัมพุโตปะกาวา พุทธังพรกวันต so ังอภิวาเทมิสวาคาโตพระกัลวัตถโมธัมมังนามาสัมมิสุปัติปันพระกัลวตสาวกสังโกสังฆนามิ เดี๋ยวโยมพนมมือไว้ก่อนนะพระสงทั้งปวงจะกราบครูบาอาจารย์พร้อมกันพ ม, มกราบ